Thank mm -hmm. you. ก็ได้พูดถึงว่าคนเราส่วนใหญ่มักจะเป็นทุกข์เพราะความคิดความคิดนี่มันก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราเชื่อมันตะพึ่ตะพือก็อาจจะกลายเป็นโทษได้ที่แรกเนี่ยเราเป็นฝ่ายปรุงแต่งความคิด แต่ว่าไปไปมาๆไอความคิดมันก็มาปรุงแต่งเราแล้วถ้าเราไม่รู้ทันความคิดมันก็สามารถจะทําให้เรากลายเป็นทาสของมันได้คือมันกลับมาเป็นนายเราทีแรกเราเป็นนายความคิดเพราะว่าเราเป็น ผู้ปรุงผู้แต่งความคิดแต่ว่าต่อมาความคิดมันก็เป็นนายเราโดยพราะถ้าเราไม่มีสติไม่รู้เท่าทันความคิดและความคิดนี่จะเชื่อมันไปทุกเรื่องไม่ได้บางทีก็ต้องทักท้วงความคิดมันบ้าง ถ้าเราทําตามความที่ไปหมดเราก็เป็นาธาตุของมันมันพาเราเข้ารลกเข้าพงก็ได้อย่างคนที่ติดอบายามุกเนี่ย<อ>เหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาออกจากอบายามุกไม่ได้ก็เพราะว่าก็ไปหลงเชื่อความคิดที่กิเลสมันปรุงแต่งขึ้นมาก็จะ ม, มีเหตุผล อยู่ตลอดเวลาว่าต้องกินต้องเสษต้องไปเล่นอาจจะให้ผลว่าเพื่อสังคมก็ เ, เลยต้องกินเหล้าหรือว่าเพื่อแก้มือเสียไปแล้วก็ถ้าไม่เลิกเล่นก็ขาดทุนก็ต้องแก้มือ หรือไม่ก็ให้ผลว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งดีครั้งเดียวก็จะไม่ทำาละวนั่จะมีเหตุผลสวยรู้ที่ทำให้ต้องถลํำเข้าไปในอบายมุกมากขึ้นแต่ถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ติดอบายมุกเล่าการพันนันแต่ก็อย่าเพึ่งชะล่าใจหรือตายใจ เพราะว่าไอความคิดนี่มันก็สามารถจะพาเราเข้ารกเข้าพงไปในทางอื่นได้สมัยที่หลวงพระชาท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีสุขภาพดีก็จะมีโยมผู้หญิงนะมาขอปฏิบัติแล้วก็อยู่กับท่านแล้วขอปฏิบัติอยู่ที่วัดหนองปลพง หลายคนก็บอกว่าจะมาปฏิบัติตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเบื่อชีวิตครอบครัวเบื่อบ้านบางทีก็ไปทะเลา ะ, ะพึ่งทะเลาะกับสามีมาบอกว่าเคสแล้วชีวิตครอบครัวจะขอบวชชีตลอดชีวิตหลวงพ่อชาท่านก็มักจะท้วงว่าก็อย่าพึ่งนะ ให้ลองมาอยู่สักพักก่อนอยู่แล้วอยู่ไว้ไหมหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยฉันไม่ไปแล้วล่ะไม่กลับแล้วล่ะถ้าฉันจะอยู่ก็จะก็อยากจะมาอยู่อยงตลอดชีวิตเลยแต่ว่าพอบวชได้ไม่ถึงอาทิตย์บางทีสามีมาง้อให้กลับบ้านก็หอบผ้าหอบผ่อน กลับบ้านไปเลยบา ง, งที่บอกว่าจะอยู่ตลอดชีวิตหรือบางทีอยู่ได้สองสาเดือนก็เกิดคิดถึงบ้านขึ้นมาคิดถึงลูกก็สึกนะกลับไปอยู่บ้า น, นแบบนี้มีเยอะมากหลวงพ่อชาท่านก็ก็เลยมักจะพูดกับโยมอยู่เสมอว่าอย่าไปเชื่อมันนะใจของเรานะ่ยอย่าไปเชื่อ เพราะว่าถ้าเชื่อแล้วก็ทำให้เราเข้ารักเข้าพงได้บางคนมันไม่ใช่ใชวาวแม่ชีทั้งทีพระก็เหมือนกันนะมีบางรูปนะเกิดศรัทธาในพระธรรมก็ตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตครอบครัวก็ผ่านมาแล้วอายุก็มากแล้ว ตั้งใจว่าจะบวชให้บรรลุนิพพานไปเลยแต่ปรากฏว่าบวชได้สามเดือนก็ต้องสึกบางคนบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตจะบวชได้ไม่ถึงปีก็สึกไอ้ตอนที่บอกว่าจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยมันเพราะเกิดปิดตินะจิต ก, ก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะบวช แต่ว่าพอบวชไปบวชไปไอปิติมันหายไปเกิดความเครียดขึ้นมาแทนอยู่ในวัดแล้วก็เห็นคนไม่น่ารักเกิดความขัดแย้งขึ้นมาหรือว่าปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าก็เปลี่ยนใจนะสึกดีกว่าอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักนะทักท้วงความคิดตั้งแต่ทีแรก ไม่ได้มองว่าความคิดมันก็ไม่เที่ยงไอ้วันนี้นี่มีแรงมีไฟอยากจะบวชมีไฟอยากจะบวชตลอดชีวิตนะแต่ไฟเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนพอไฟดับไฟมอดเอาละคิดถึงชีวิตครอบครัวขึ้นมาเบือ่อซะแล้ว แเราก็คงสังเกตได้ชื่อประจำวันเราก็เป็นอย่างนี้นอกจากเรื่องว่าอยากทำโน่นอยากทํานี่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ทำํำนะบางทีก็ไปเชื่อความคิดปรุงแต่งอย่างที่ผู้เมื่อเช้า ว, ว่าเราทักเขาเขาไม่ทักเราก็ปรุงแต่งเป็นว่าเป็นเวรว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าเราขอไป ฟังคำดินทาของคนอื่นมาเขาอิจฉาเราเแล้วพอคิดแล้วก็เชื่อความคิดปรุงแต่งนั้นก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พลอยเกลียดชังเขาด้วยทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้เกลียดชังอะไรเราแต่ว่าเขากำลังมีความทุกข์จนกระทั่งไม่ได้สนใจว่าใครมาทักใครมาทายบ้าง เมื่อลอยนะเพราะพ่อป่วยลูกไม่สบายเมื่อในเวลามีความคิดอะไรขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปเชื่อมันทีเดียวต้องทักท้วงและยิ่งเมื่อเชื่อแล้วก็ทําตามความคิดทำตามความเชื่อนั้นด้วยนี่ก็วันนี้ก็มีปัญหาถ้าเรารู้จักทักท้วงความคิดบ้างนะ เราจะเป็นนายความคิดได้อย่างแท้จริงให้ความคิดมันจะพาเราไปทางที่ผิดที่พลาดก็เกิดขึ้นได้น้อยหลวงพออมเขียนนั้นเคยเล่าเมื่อทักยี่สิบสามสิบปีก่อนที่ทามาไฟ ป, ปัดปกเาทองประมาณนั้นท่านเป็นเจ้าว่าที่นั่นก็มีชายหนุม่มคนหนึ่งนะมาบวชกับท่านพี่ชายพามาบว เมื่อบวชเสร็จหลวงพ่อก็พาปฏิบัตินะสมัยนั้นพระก็ไม่ค่อยมีมากแล้วก็ให้พระหนุ่มนี่ปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะพาไปได้สามสี่วันพระหนุ่มก็มาขอศึกบอกว่าไม่ได้บวชมาเพื่อจะปฏิบัติจริงไม่ได้คิดจะมาบวช ด, ด้วยซ้ำพี่ชายมาขอให้บวช ท่านก็ไม่สนใจบอกให้ไปปฏิบัติกลับไปปฏิบัติผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงมาขอสึกกับท่านอีกท่านก็ไม่สนใจให้กลับไปปฏิบัติพักใหญ่เข้ามาอีกนะมาขอยืนกลาดเลยคือว่าจะขอสึกให้ได้ถ้าทางจริงจังมากหลวงพ่อคำเขยงก็เลยถามว่า อะไรทําให้ท่านมาที่นี่อะไรทําให้ท่านมาขอสึกกับผมความคิดครับความคิดหลวงพ่อก็เลยตอบกันไปว่าเมื่อมันคิดแล้วเนี่ยต้องเชื่อตามความคิดทุกอย่างเลยถ้าทําตามความคิดทุกอย่างนี่ไม่แย่หรือกลับไปปฏิบัติใหม่จนท่านไม่ยอมสึกให้ พ่อก็ทำท่าไม่พอใจแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อยืนกราบปฏิเสธก็เลยต้องกลับไปเช้าววรุ่งขึ้นทำวัดเช้าพระหนุ่มนี่ก็มาทีนี้มากราบหลวงพ่ออย่างนอบน้อมแล้วก็บอกขอบคุณหลวงพ่อที่ไม่ศึกให้เขาพ่อก็บอกว่า ถ้าศึกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปยิงคนสองค น, นก็คงเป็นเมียกับชู้แล้วมั้งเมื่อวานนี้ก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะไปเอาปืนจากที่ไหนวางแผนจะไปเอากระสุนจากที่ไหนแล้วก็เตรียมแผนที่จะไปฆ่าสองคนนี้แต่พ่อหลวงพ่อ ได้ทักทวงเอาไว้ทำให้เขาได้กลับมาได้คิดแล้วก็เลยเปลี่ยนใจนะไม่ศึกแล้วพอรู้ว่าถ้าศึกไปนี่วุ่นวายแน่ชีวิตคงไม่มีความสุขก็เลยกลายเป็นว่าบวชต่อแล้วก็บวชยาวด้วยนะยี่สิบปีอันนี้ก็ มันเป็นตัวอย่างเลยว่าเนี่ยคนเรานี่ถ้าเราทำตามความคิดแล้วบางทีมันพาไปสู่ความหายนะหลวงพ่อท่านได้ชี้ได้ชวนให้ภารุ่มนี้ได้กลับมาดูความคิดทักทวงความคิดควเราถ้าเราไม่รู้จักทักทวงความคิดเสียเลยนี่อันแย่นะจะ กลายเป็นท่าขงความคิดแล้วก็กลายเป็นท่าของกิเลสได้ง่ายมากเพราะว่ากิเลสนี่มันชอบปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเหตุผลที่สวยๆยงงงามให้เราหลงเชื่อยิ่งยิ่งเรียนสูงนะเหตุผลที่กิเลสมุงแต่งก็จะสวยก็จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจบป .4 กิเลสมันก็จบป .4 จบปริญญาตรีนะกิเลมก็จบปริญญาตรีด้วยถ้าเราจบปริญญาเอกกิเลมก็จบปริญญาเอกด้วยมันฉลาดบางที่มันฉลาดกับเราสิมันก็ปรุงแต่งเหตุผลมาให้น่าเชื่อถือเอาก็เหตุผลหรือความคิดเนี่ยนอกจากมันจะพาเราสู่ความทุกข์บางทีมันก็ยังเป็นตัว ติดกันแม่เราเห็นความจริงด้วยบางทีความจริงอยู่ตอนหน้าแล้วกลับมองไม่เห็นหรือว่ามองผิดเพี้ยนไปมีเพื่อนเขาเล่าว่าวันหนึ่งตอนเช้าเดินขึ้นสะพานลอยตรงแถววงเวียนใหญ่ไปกับเพื่อนสองคนระหว่างที่กําลังเดินข้ามสะพานลอยอยู่เขาก็ชี้ให้เพื่อนอีกคนนึงดูมีแบง พันสามใบอยู่ข้างหน้าห่างออกไปสักสองสามเมตรเขาชี้เสร็จเขาก็บอกว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่แบงก์จริงหรอกถ้าแบงก์จริงนี่คนก็หยิบไปแล้วแหละแต่เพื่อนไม่สนใจเพื่อนก็รีบสาวเท้าไปหยิบแบงก์มาสามใบเพราะว่าเป็นแบงก์จริงคนที่บอกว่าเป็นแบงก์ปลอมก็เลยปดไปเลยนะฮะ สามพันเนี่ยเห็นอยู่เป็นคนแรกแต่ไปเชื่อเหตุผลของตัวนะว่าว่าถ้าเป็นแบงก์จริงคนเขาเก็บไปละอันนี้เป็นเหตุผลที่ดูฟังดูดีนะแต่ว่าเพราะเหตุผลอย่เ ง, งี้ยทําให้โชคมันหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเลยคือแบงก์เป็แบงก์จริงอนะแต่เป็นเพราะมีเหตุผลว่าเออถ้าแบงก์จริงมีคนบันหยิบไปแต่นี่ไม่มีใครหยิบไป ตากกะก็ฟังดูดีนะแต่ว่ามันทำให้อความจริงที่อยู่ต่อหน้านี่มองไม่เห็นเรียกว่าความคิดมันไปปิดบังความจริงความจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะความคิดมันปิดบังเอาไว้เพื่ออีกคนหนึ่งนี่เขาอาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเออถ้าเป็นแบงก์จริงคนก็ต้องหยิบไปละ แต่เขาอาจจะไม่เชื่อทีเดียวนักเพ่อก็อาจจะคิดเผื่อว่าเอออาจจะมีคนมองไม่เห็นก็ได้หรือมอาจจะมีคนคิดแบบเดียวกับเพื่อนของเขาว่าถ้าเป็นแบงจริงคนก็หยิบไปละเพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นแบงก์ปลอมจตกเขาไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อความคิดของตัวเองไม่เชื่อเหตุผลก็ก็ไปดูเห็นกับตาก็เพราะว่าเป็นความจริงเพราะว่าความจริงว่ามันเป็นแบงก์จริง อันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้านะสอรเรื่องกลธรรมสูตรนะกลธรมสูตรนี่มีหลักสิบประการข้อหนึ่งก็บอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเสียงเล่าลืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเขามีการปฏิบัติตามตามกันมาแล้อีกข้อหนึ่งคือว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าตึกตองด้วยเหตุผลตึกตองด้วยเหตุผลแล้วแบงค์นี่มันไม่ใช่ของจริงแน่ พรว่าจะเป็นของจริงแล้วคนต้องหยิบไปอเหตุผลก็ฟังดีนะแต่ว่าความจริงก็คือว่าแบงสามใบเป็นของจริงเพื่อนคนที่ว่าเขาเสียดายนะโอ้เราเห็นกับต า, เ, าเห็นคนแรกนะแต่ว่าเราอดสะละให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาหยิบไปก็ได้สามพันแต่ว่าเขาก็ดีนะเพื่อนที่หยิบไปเขาก็แบ่งให้คนที่เห็นคนแรกไปพันหนึ่งนะเขาได้สองพันบางที โชคอยู่ต่อหน้าต่ตาเนี่ยไอความคิดหรือเหตุผลมันก็พาเขเหมือนกันนะมันมีเรื่องเล่าว่ า, าผู้ชายคนหนึ่งนักแกก็ไปทำฟาร์มอยู่นอกหมู่บ้านก็ทำไร่ทำนาก่อนมีลูกชายตัวเล็กๆแตดเก้าขวบวันหนึ่งเขาก็ทิ้งลูกไว้ที่บ้าน เขาก็ออกไปหาของป่ากลับมาบอกว่าบ้านถูกไฟไหม้แล้วก็วัวควายก็หายไปก็ตกใจว่าลูกเขาอยู่ไหนลูกหายก็ไปค้นในซากปรากหักพังก็ไปเจอโครงกระดูกก็เสียใจที่ลูกตายในกองเพลิงเสียใจมาก เขาก็อุตส่าห์เก็บเท่าเก็บกระดูของลูกชายนั่นนะใส่โหลติดตัวแล้วเขาก็ย้ายไปที่อื่นพ็ผ่านไปสีห้าปีคืนนึงก็มีเสียงเคาะที่ประตูกลางดึกเขาอยู่ในบ้านเขาเลยตะโกนถามว่านั่งใครก็มีเสียงตอบมาว่าพ่อผมไงล่ะแดงลูกพ่อ ผู้ชายคนนั้นไม่เชื่อแกไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันตายไปแล้วในกลองเพลิงเอคนที่ค้อประตูยังยืนยันอีงว่าเป็นเป็นแดงลูกพ่อจริงๆก็พูดเท่าไหร่เท่าไหร่นะชายคนนั้นก็ไม่เชื่อไม่ยอมเปิดประตูสุดท้ายก็เลยอาคารตุ ก, กัยามวิการก็เลยต้อง ลาจากไปได้วยความเสียใจความจริงคือว่าลูกเขาไม่ได้ตายไม่ได้ตายในกองเพลิงถูกโจนจับไปไอ้ที่เห็นเป็นกระดูกนะั่นมันกระดูกอะไรก็ไม่รู้อาจจะไมไ่กระดูกคนก็ได้นะหรือกระดูกเลี้งก็ไม่รู้แต่ลูกไม่ได้ตายแดงไม่ได้ตายถูกโจนจับไปแต่ว่าตอนหลังก็หนีออกมาได้เนีออ๋ยววันแรกก็ตามหาพ่อ ก็ัวพ่ออยู่บ้านนี่แหละแต่พ่อไม่ยอมเปิดประตูลังพ่ออะไรพ่อพ่อเชื่อว่าลูกตายแล้วลูกตายในกองเพลิงถามว่าเห็นลูกตายปะไม่ได้เห็นหรอกเห็นแค่กระดูกที่มันอยู่ในซากปหลักอยู่ในกองเท่าฐานโดยตั ก, กระโดยหลักเหตุผลก็น่าจะเป็นลูกแล้วก็เชื่อความคิดนี้แหละไอความเชื่อ แล้วก็ไปยึดติดความคิดนี้ก็ทําให้เขาปฏิเสธลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้อนรับลูกก็ทําให้ลูกเขาจากไปอันนี้เลยว่าเป็นพ่อไม่รู้จักทักท้วงความคิดด้วยไปเชื่อไปยึดติดความคิดของตัวอย่างหนักอย่างเหนียวแน่นแล้วคนเราต่างว่าไม่รู้จักทักท้วงความคิดนะมันก็อาจจะลงเอยแบบผู้ชายคนนี้ก็ได้ ก็คือว่าต้องสูญเสียคนที่ตัวเองรักที่สุดไปแน่นการที่เรามาหัดมาดูความคิดมันจะช่วยได้มากในการที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักทักท้วงความคิดเพราะถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเราก็จะหลงเชื่อความคิดได้ง่ายไปยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนั้นคือความจริง ไปคิดว่าไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นตัวกูของกูคือหลงเชื่อมันถ้าเกิดเรามันจเจริญสติอยู่เสมอถัดดูความคิดรู้ทันอารมณ์มันก็จะเข้ามาครอบงจิตใจเราไม่ได้มันจะเกิดระยะห่างระหว่างความคิดกับจิตใจ แต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักฝึกการรู้ทันความคิดคิดอะไรก็เลยเชื่อไปหมดเพราะความเชื่อนั้นกลายเป็นเราความคิดนั้นกลายเป็นเรากลายเป็นตัวกูของกูขึ้นมาความคิดก็อันหนึงนะใจก็อันหนึ่งแต่ว่าคนจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่ได้ฝึกที่จะดูความคิด ในการปฏิบัติที่เราทําอยู่เนี่นะมันก็มีหลัก ง, ง่ายๆนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกกายเคลื่อนไหวก็รู้นะรู้โดยไม่ต้องคิดนะใช้ความรู้สึกไม่ใช่ว่าจะต้องไปคิดเอาว่าฉันกําลังเดินฉันกําลังยกมือรู้กายเคลื่อนไหวเวลาใจมันมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันความคิดนั้น การที่มันดูมันรู้ความคิดนี่มันช่วยทำให้เราได้เห็นความจริงว่าความคิดก็อันนึ่งมันไม่ใช่เราแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถจะทักท้วงความคิดได้เพราะเรารู้ว่าไอ้ความคิดที่ไม่ข้าท่ามันก็มีอยู่หรือว่าความคิดนี่มันก็แปรเปลี่ยนไปได้วันนี้คิดอย่างผู้นี้ก็คิดอย่าง อารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะมันก็แปรเปลี่ยนได้อยู่เสมอวันที่คนเราเหมือนกับเด็กที่ก่อประสาททรายบนชายหาดนะตอนที่เด็กก่อประสาทเนี่ยนะโอ้ยเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายมากใครจะมายุ่งไม่ได้เลยอย่ามายุ่งกับประสาททรายของฉันถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไปทําอะไรประสาทนั้น เด็กอาจจะร้องไห้หรือว่าถ้ามีเพื่อนหรือพี่มายุ่มยามประสานนั้นทําให้เสียทรงเด็กก็จะร้องไห้แต่ว่าพอถึงตกเย็นได้เวลากลับบ้านหรือว่าได้เวลาไปเที่ยวดูหนังพ่อแม่เรียกไปดูหนังหรือว่าเรียกกลับบ้านกินข้าวเด็กคนเดียวก็นั่นแหละนะก็กระทึบภาษาสายพังเลย จังที่ก่อนนัน้นมันนี่หวงแหนนะแต่ตอนนี้ไม่สนใจแล้วฉันกระทืบพังเลยเวลาเราเกิดไอเดียนะไอเดียกระโจนนี่โอ้ยไอเดียเราประเสริฐมากเลยนะไอเดียนี้เยี่ยมมากนะแผนการที่เยี่ยมมากใครไม่เห็นด้วยก็เถียงหรือค้านเขาหรือบางทีก็โกรธเขาว่าที่เขาไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราแผนการของเรา แต่พอผ่านไปวันสองวันนะก็ไอโยนความคิดนั้นทิ้งไปเลยเพราะมาเห็นว่ามันไม่ขอท่าซะละหรือไม่ก็รู้สึกเบื่อกับมันตอนที่คิดใหม่ๆนี่แหมมันเหลือเกินมันเยี่ยมยอดมากแต่สักพักหรือผ่านไปไม่กี่วันเบื่อก็เหมือนคนที่ทีแรกตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตนะนะเรียกว่ามีไฟมากการบวช ผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์หรือผ่านไปสองสามวันบางทีก็ไม่เอาล้วกลับบ้านดีกว่าเนี่ยเราจะไปลงเชื่อความคิดง่ายเกินไปทักท้วงมันบ้างใช้สติใช้โยนิโสมนสิการหรือใช้หลักกรารมาสูตรอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันมีรูปลักษณะน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันสอดคล้องกับความคิด ของเราหรือว่ามันเป็นไปตามหลักตักกะเราต้องสอบสวนให้เห็นจริงหรือว่าพิจารณาใคร่ควรวญให้เห็นจริงเท่าที่เราจะทำได้หรือว่าไม่ก็ต้องสอบถามคนน้นคนนี้ด้วยเพื่อให้มันเห็นชัดแจ่มแจ้งว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความคิดก็หลอกเราได้ อย่าว่าแต่ความคิดเลยสายตาอนนีกอี่างหลอกเราได้เลยหมูมันก็หลอกเราได้นะจมูกก็หลอกเราได้ดังนี้นเราต้องต้องฉลาดในการรู้เท่าทันความคิดจิตใจหรืออารมณ์ของเรามันดูกายดูใจอยู่เสมอเราก็จะเห็นความจริง ไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเห็นความจริงกระทั่งว่าขันทั้งห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ากายกัใจที่หลงคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานะมันก็เป็นความปรุงแต่งอีกเหมือนกันอย่างที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยนะสัมมาสติ เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเนี่ยเห็นธรรมในธรรมเนี่ยในความหมายนีก็เห็นกายว่าเป็นกายเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเราเห็นเวทนาว่าเป็นเราเห็นจิตว่าเป็นเราไอความคิดโดยผิวเพลิงเราเนี่ยเวลาเห็นกายมันจะเห็นว่าเป็นเรา ก็จะสาคัญมัมาว่าเวทนานี้เป็นเราจิตนี้เป็นเราแต่พอมีสตินะกา ย, ยุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตุปัสสนาคือการดูมันด้วยสติซึ่งทำให้เห็นความจริงความจริงก็แสดงตัวออกมาให้เราเห็นแต่เรามันถูกพรางเอาไว้ด้วยความคิดปรุงแต่งแต่พอเราใช้สติดูก็จะเห็นความจริงว่า อกายก็ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรากายอนุปัสนาคือการเห็นกายว่าเป็นกายมันตรงดีนะเห็นกายว่าเป็นกายแต่เรส่วนใหญ่เราไปคิดว่ากายเป็นเราเราไม่ได้เห็นเราคิดเอาแต่ถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่ากายคือกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตมันตรงตรงแบบนี้แหละ แต่เพราะเราไม่ได้เห็นไงเราคิดเอาสําคัญแม่นหมายก็เลยไปคิดว่ากายเป็นเราเวทนาเป็นเราจิตเป็นเราอันนี้ก็รวมไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยครูเจ้าตัดว่าเนี่ยเมื่อดูไปก็เมื่อเห็นความจริงก็จะพบว่ามันก็เหมือนกับพยับแดดฉันมีคา อ, อุปมาอุปไมยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกับพยับแดดพยับแดดคือว่าดูเหมือนว่ามันอยู่ใ ก, ใกล้ จับต้องได้แต่พอเข้าไปจริงๆเอามันหายไปละหรือบางทีท่านก็เปลี่ยบมือนกับแก่นของกล้วยนะกล้วยมีแก่นไหมมันไม่มีถ้าคิดว่ากล้วยมีแก่นนั่นก็คือความเข้าใจผิดหรือว่าบางทีท่านก็เปลี่ยนเหมือนกับนักเล่นมายากลนักมายากลคือที่แสดงให้ดูเป็นของปลอมนั่นแหละได้ถูกจับจับโกหกมายากลได้หรือว่ารู้ความจริงว่า กุ้ยนั้นหามีแกนไหมหรือลว่าพยับแดดที่จริงมันก็เป็นภาพลวงเห็นความจริงว่ามันเป็นของลวงแต่เพราะไม่เห็นความจริงก็เลยถูกมันลวงถูกมันหลอกเอาการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เรามีสมาธิทำให้เรามีใจที่สงบไม่ฟุ้งซ่านแต่ยังทำให้เราเห็นความจริงด้วยและความจริงนี่แหละที่ทำให้เราเป็นอิสระ อิสระจากการถูกหลอกหรือว่าชักพาไปสู่ความทุกข์การดูกายดูใจเริ่มต้นจากการรู้จักทางวงความคิดไม่หลงเชื่ออารมณ์เนี่ยนั้นมันก็จะพาเราไปสู่ความจริงที่ลึกมากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสามารถที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นอกจากจะไม่เข้ารกเข้าพงไปสร้างความทุกข์แก่ใครแล้ว ในสุดแมากระทั้งความทุกข์ที่ละเอียดที่สุดก็ยังสามารถจะหลุดพ้นได้